มาจากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งมีญาติธรรมเล่าให้ฟังว่าได้ไปฟังพระอาจารย์ไพศาลเทศธรรมะในหัวข้อเรื่องตายทั้งทีตายดีให้ได้เนี่ยก็มาเลาห้ฟังไลฟ์ฟังว่าท่านเทศหัวข้อนี้เอออ ผ, ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อที่มีความหมายดีมากในทัศนคของท่าน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 รักษาศีลและก็ภาวนาอันนี้ก็เป็นไปสําคัญสําคัญที่สุดเลยเพราะเรื่องการภาวนานะการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติอยู่เสมอเสมอเนี่ยมันเป็นเป็นบุญรายวันเลยละ่ะแต่ละวันเนี่ยมีสติฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับการภาวนาในการใช้ชีวิตมีชีวิตแต่ละ แต่ละวันในเวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็ให้ใช้แบบพันการภาวนาไปในตัวถ้าเราจะตายไปตอนไหนเนี่ยมันก็มันก็นกนจิตก็เป็นกุศลตลอด <Yeah. S 1> ลอเนี่ยฝนะึกปล่อยวางนี่ยได้ฝึกปล่อยวางทํำนาทีเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางอันนี้ก็เป็นกุศลเป็นผลของกุศลที่ทําให้เราไม่ทุกข์ได้คือแต่ละวันเนี่ยอย่าให้เสียเวลาไป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 เราอยู่จิตที่สะสมกุศลกุศลเสมอๆมีจิตที่สะสมเรื่องกุศลเรื่องบุญกุศลเรื่องความไม่ทุกข์เรื่องการมีสติเสมอๆเวลาตายเราไม่ต้องไปเรียกหาสิ่งเหล่านี้หรอกกุศลมาสู่จิตใจเราเองโดยอัตโนมัติความไม่ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจเราสติสามัญชัญญาก็จะเปี่ยมล้นมีสติแบบไม่หลงตายเพราะนั้นอย่ารออย่ารอเวลา ตายให้มันดีอยู่ให้มันดีะน <Yeah. S 1> เราลองถ้าอยู่ดีแล้วตายดี